คอห้อยประดับด้วยสายสังวานเพชนินจินดาบอกตำแหน่งสูงมือและแขนอันผอมเรียวยาวประคองสายลูก ป, ประคำเส้นยาวใหญ่ยกขึ้นชูแผ่ขึ้นในระดับเนื้อศีรษะเหมือนจะเป็นการบูชาถวายสาการะหรือกระทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเนื้อภาพขบวนอันยาวเหยียดนั้นขึ้นไปวาดเป็นรูปเทพเจ้าในลักษณะแปลกๆเหาะลงมาและโปรยปลายดอกไม้พร่างครู ล, ลงมายังขบวนแห่นั้น โดยเฉพาะที่หีบศพทั้งสองนั้น Wonderful เสียงอุทานแผ่วต่ำของใครคนหนึ่งในคณะนายจ้างของเขาหลุดผ่านลำคอออกมาอย่างตื่นตะลึงราะคนมหัศจรรย์ใจยิ่งเป็นเสียงของด็อเตอร์สแตนลี่ทุกภาพประดุดมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวได้ทุกสายตาส่งความรู้สึกบอกตนเองเช่นนั้นเพียงแต่ไม่มีใครปริปากเอ่ยออกมาเท่านั้น นอกจากจ้องเขมงพร้อมด้วยหัวใจที่สั่นระทึกอย่างประหลาดในความเงียบอุปทานเสมือนจะได้ยินเสียงคล้องลั่นกังวานกระหึ่มมาแทบประสานไปด้วยเสียงมโหระทึกกลองชนะแตรสังเป็นบทเพลงเศร้าวิเวกหวามเข้าไปถึงขั้วหัวใจทั้งหมดรู้สึกขนลุกเกรียวขึ้นพร้อมๆกันใคายจะเพ่งไล่ล้าสายตาดูภาพส่วนไหนของขบวนอันยาวเหยียดนั้นอย่างไรบ้างไม่ทราบได้ แต่รพินพัยวันจ้องไปที่ภาพฐานแบกหีบศพทั้งสองนั้นเป็นเป้าแรกต่อมาก็เบนสายตาจับจ้องอยู่ที่ภาพนักบวชลน้นริมฝี ป, ปากของเขาเม้มแน่นตาเบิกกว้างไม่กระพริบและวันนั้นเองใครสามคนก็เลี่ยงเข้ามายืนเบียดชิดอยู่แนบกายเขาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาสั่นพรา่าณณนายบุญคาเกิดและเสยนั่นเองที่เข้ามายืนตัวแข็งกายสั่นเทิมอยู่ใกล้ๆเขา โดยเบียดแทกนายจ้างคนอื่นๆเข้ามาเขาควานมือออกไปข้างตัวด้านขวาก็พบเข้ากับฝ่ามือหยาบ ก, กระด้างของบุญคำสัมผัสนั้นเย็นเฉียบบุญคำก็กามือเขาแน่นถ้าพินบีบต่อเหมือนจะเป็นการรับรู้เท่าเท่ากับเป็นการเตือนไม่ให้กระโตกกระตางพูดอะไรออกมาแต่บุญคำไม่ยอมเข้าใจอาการเตือนปลามของเขาอีกมือหนึ่งของรานเท่าสมุนขวาของเขาชี้จี้ไปที่นักบวชล้นในภาพนั้น ปากของแกอ้าเพริพมเพริ่ไอ้มันไตรมันละชัดเลยนายแสงพลุที่ให้ความสว่างเปล่งประกายเต็มที่จรัดจ้าไปหมดตลอดแนวผนังบุญคำมีอะไรหรือชี้ไปที่เจ้าคนหัวโล้นตัวสูงที่ชูลูกประคำอยู่นั่นทำไมคริสติน่าผู้มีความสังเกตเฉียบวายตามวิสัยคงจะจับอาการของกลุ่มพรานพื้นเมืองของระพินได้เอยถามขึ้นอย่างสะดุดเข้ากับความสงสัย ได้จากคำถามของหลอนนั่นเองสแตนลี่คีดอิสซาเบลและเชิร์ดวุดก็หันมาพบสภาพที่กำลังอ้าปากงาบงาบของบุญคำและมือที่ยังชี้ค้างอยู่แกไม่ตอบค่ อ, คอยๆหดมือทำไก่มาเป็นรูปศรีรษะแล้วนิ่งเงียบไม่ตอบคำใดๆทั้งสิน้นฝ่ายนายจ้างทุกคนจ้องที่ภาพนั้นแล้วหันไปมองกลุ่มของระพินไปนตาเดียว รพินถ้าเราทายไม่ผิดพวกคุณทั้งสี่คนกำลังสนใจอะไรเป็นพิเศษกับภาพของชายศิสารโล้นนั่นพวหน้าคณะเอ่ยถามเหมือนจะเค้นหาความจริงมาอีกคนหนึ่งพรานใหญ่ยกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมูกแรงๆตายังไม่ละไปจากภาพที่เขาและพรานลูกน้องทุกคนจำได้อย่างติดตาซึ่งไม่คิดว่าจะมาพบภาพวาดของมันเข้าอย่างจังยังอึ้งอยู่เธอจะคิด บ่ายเบี่ยงปิดบังอะไรแล้วก็อย่าลืมสัญญาที่เรามีไว้ต่อการเซนาว่าเราจะไม่มีอะไรอําพรางกันเสียงคริสเน้นช้าๆมาอีกขณะที่ก้าวเข้ามาชิดเขาเอื้อมมือมาจับต้นแขนแกร่งเกรงของเราพินไว้กึ่งขอร้องกึ่งบังคับเฮ้ยเพื่อนยากถ้าจะอธิบายอะไรให้เรารู้ไว้ได้บ้างก็อย่าอมพนันเป็นอันขาดถ้าพวกเราโง่หรือไม่รู้มากเท่าไหร่นายก็จะยิ่งลาบากขึ้นเท่านั้นนายคิดร้องเตือนมาอีกคน เอาละผมจะบอกให้ในเมื่อถูกพวกพวกคุณคาดคั้นมาแบบนี้เขาพยายามกล่าวด้วยเสียงให้เป็นปกติราบเรียบที่สุดซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าเย็นกระด้างจนยากที่ใครจะอ่านความรู้สึกภายในขณะนี้ได้บุญคำเกิดและเสยกำลังตกใจเรื่องอะไรฝ่ายนายจ้างถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียว ขม ě งตาจ้องเขาและลูกน้องทั้งสามไม่กระพริบด้วยความกระวนกระวายใจก็ไอ้ภาพของชายร่างสูงหัวโล้นที่ยืนอยู่หน้าขบวนแห่ที่เรามองเห็นในภาพนี้แหละกรุณาพูดให้หมดสิ้นกระแสะความหน่อยได้ไหมได้และพวกคุณก็สงบสติอารมณ์ไว้ด้วยคนของผมทุกคนจําได้ว่าไอตัวสูงหัวโล้นตัวนี้เหมือนกันไม่ผิดอะไรสักนิดเดียวกับไอพิริมันตร ในซากเดิมของมันสมัยที่มันอารวาดเอากับเราตอนที่พวกเราได้เดินผ่านมาในครั้งแรกและเราได้เผาซากที่มีรูปร่างอย่างนี้ของมันกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วในครั้งนั้นซึ่งในครั้งนี้วิญญาณร้ายของมันที่พละออกจากซากเดิมไปสิงสู่อยู่ในร่างของนักรบซากหนึ่งอย่างที่พวกคุณก็ได้เผชิญกับมันมาแล้วผมบุญคาเกิดและเสยไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้มาพบเห็นกับภาพวาดของมัน ซึ่งตรงกับซากที่เราพบและฟาดฟันกับมันมาก่อนดังที่เคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้วฝ่ายนายจ้างของเขาแทบพงะเสียงเชิดวุดร้องอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างขวัญหายสแตนลีย์คีตอิซาเบลและคริสติน่ายืนจังงังต่างหันขวับไปจ้องภาพนั้นอีกครั้งคุณแน่ใจหรือระพินคริสถามมาด้วยน้ำเสียงเบาเรียบแสดงถึงความมั่นคงแห่งดวงจิตแต่ภายในนั้นไม่มีใครรู้ได้ ผมกับบุญคำเป็นคนเผาซากของมันกับมือทำไมถึงจะจำไม่ได้ก็ <_ d ream> น่าแปลกมากในที่สุดเราก็เข้าถึงแหล่งต้นตอนจริงๆแล้วยังไม่มีอะไรจะต้องสงสัยต่อไปสเตอ ล, ลี่เอ่ยขึ้นแปลงพรา่าแล้วหันไปทางพรานทั้งสามของราพินที่กำลังมีหน้าตาตื่นเลิกลากเหมือนถูกผีหลอกซักยำ้ำบุญคำเกิดและเสยเธอทั้งสามคนจำได้แน่นะ ไอ่เปรีหัวล้นตัวนี้แหละครับนายห้างที่มันเล่นงานพวกเราในคราวที่ผ่านเข้ามาที่นิทราน ค, นคราวก่อนโน้นประเดี๋ยวไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ำที่เราจะไปอาศัยดื่มกินประเดี๋ยวไปนั่งยิงฟันเป็นท่อนไม้แข็งโดดักหน้าประเดี๋ยวเดินชื่อเขาใส่กว่าจะเอาซากมันมาเผาได้เล่นเอาพวกเราเกือบตายกันไปหมดทั้งคณะเลยเกิดบอกขึ้นด้วยเสียงสั่นสะท้าน พวกเราจำรูปร่างลักษณะนหน้าตาของมันได้ดีที่สุดถึงนี่จะเป็นภาพวาดที่ดูว่ามันยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่เรามาพบนั้นมันกลายเป็นสร้างผีดิบไปแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเสยสสำลักบอกมาอีกคนแล้วก้มลงไปคว้าก้อนหินตรงหน้าเท่ากําปั้นขึ้นมาได้ก้อนหนึ่งเงื้อขึ้นหมายจะเข็นขว้างเข้าไปที่ภาพแต่ละพินคว้ามือไว้ได้ก่อนบางคให้โยนก้อนหินทิ้งดุเบาวๆว่า จะบ้าหรือยังไงเจ้าใส่เงียบเงบเฉยๆเป็นภาคเขียนเชิงบันทึกไว้ในเหตุการณ์ของพิธีแห่ศกเพื่อจะนำไปประดิษฐานวิาณสุสานที่ใดที่หนึ่งหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นช้าๆอย่างไตรตรองพิจารณาลึกซึ้งลงไปให้ถึงพฤติการในอดีตนักบวชลน้นหรือที่คุณเคยเล่าให้เราฟังว่าเขาคือราชปุโรหิตมันตรัผู้มีจิตตานุภาพสูงเป็นผู้นาขบวนพิธีนี้ ลักษณะของภาพก็บอกชัดว่าเป็นศพยิ่งใหญ่ระดับกษัตริย์และมีอยู่ถึงสองหีบศพเข้าพิธีมาพร้อมกันระพินคุณพอจะให้ความคิดแก่เราได้บ้างไหมว่าสองหีบศพนั้นหมายถึงใครจอมพรานนิ่งเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยคำใดออกมาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะรู้ชัดอยู่แก่ใจแล้วก็ทำง่ายๆเพียงแค่สั่นศีรษะชา้ชาๆลองคิดดูให้ดีซิ เสียงเบาอ่อนของคริสดังอยู่ใกล้ๆตัวเหมือนจะพยายามให้ความคิดแก่เขามันจะเป็นไปได้ไหมจากเรื่องราวที่คุณเคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วหีบศพแรกที่นำหน้านั่นคือหีบศพของกษัตริย์ผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าหญิงพันธุ์ธุมบดีและหีบศพตามหลังนั่นก็คือหีบของพันธุ์ธุมบดีสุภาพบุรุษไรรอบถอนใจแผ่วเบาคงสั่นศรีรษะช้าๆอยู่เช่นนั้นเขาบอกกับตนเองว่า มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อนเร้นปิดบังบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วเพราะถ้ายิ่งอธิบายมากก็ยิ่งเกิดปัญหาให้ซักถามออกไปมากไม่สิ้นสุดผมไม่คิดว่าจะเป็นศพของเจ้าหญิงพันธุมวดีและพระราชบิดาของเธอจากหลักฐานที่พบมาก่อนเพราะสองพ่อลูกคู่นี้ไม่ได้ตายพร้อมกันจะมีพิธีแห่ศพมาพร้อมกันได้อย่างไร และศพของพันธุมบดีผมก็ได้ไปพบมาแล้วยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งบรรทมอยู่ในโรงแก้วซึ่งก็สลายเป็นพัสมะทุลีไปแล้วทันทีที่อาคมของมันตรายเสื่อมสิ้นลงไปในครั้งนั้นเขาตอบอย่างไม่ซื้อจะเต็มเสียงนักแล้วสองศพตามภาพเขียนที่เห็นอยู่นี่เป็นใครอิสเบลตั้งคำถามมาโดยเร็ว ความตื่นเต้นสนใจต่อภาพเหตุการณ์ที่พบอันถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญทําให้หล่อนลืมภาวะเจ็บปวดทางร่างกายซะอย่างสนิทผมเดาไม่ถูกก็อาจเป็นบรรดาบูรพกรรษัตริย์ของราชวงศ์ผู้ครองแผ่นดินนี้ก่อนสมัยของกรรษัตริย์ชัยสรยาและเจ้าหญิงพันธุธุมวดีแล้วถ้าเช่นนั้นจะมีนักบวชมันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในภาพของขอบวนแห่นี้ได้อย่างไรภาพของมันตรายซึ่งถ้าคุณเชื่อ ว, ว่าเป็นมันตรายจริง ก็น่าจะพิสูจน์ได้ชัดว่ามันควรจะเป็นยุคสมัยเดียวกันกับกษัตริย์สองพ่อลูกชัยสรยาและพันธุมวดีไม่ใช่หรือระพินรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างยิ่งฝืนยิ้มแค้นคนป้ายเช็ดเหงื่อจากหน้าผาที่เกาะพราวอยู่สบัดออกไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าภาพเหล่านี้สามารถจะพูดและตอบคำถามของพวกเราได้ก็จะดีมาก 2. ศพมีศักกษัตริย์เข้าขบวนแห่ คุณว่าขบวนแห่นี้น่าจะนำไปประดิษฐานไว้ยังสุสานถูกต้องไหมสแตลลี่พิเคราะห์มาอีกก็น่าจะใช่มักคุเทศนำทางตอบมาเกือบเป็นเสียงกระซิบสุสานของกระสาควรจะอยู่ที่ไหนคีดยิงคำถามไปยังเขาอีกคงมีเชิร์ตวุธคนเดียวเท่านั้นที่ยืนดูภาพเหตุการณ์และฟังข้อสักถามโต้ตอบอยู่อย่างสงบแต่หัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านบัตดนี้ ตสกัดนายทหารหนุ่มจนทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกถ้าผมทายไม่ผิดพร้อมพูดแผ่วต่ำํำระพินป้ายหัวแม่มือข้ามไหล่ไปทางด้านหลังอันเป็นช่องทางลงไปสู่พิภ พ, พด้านล่างมหาสุสานคงจะอยู่ตรงตําแหน่งที่เราตั้งใจว่าจะลงไปสํารวจนั่นแหละครับและอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเราก็จะลงไปกันอยู่แล้วเชื่อแน่ว่ามันจะต้องเป็นแหล่งเก็บศพของชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของอาณาจักรในอดีตการแห่งนี้ ผมหมายถึงมิตรานครซึ่งอยู่ภายใต้สถานเทวาไลาที่เรายืนกันอยู่นี่เบลกว่าตามองไป ร, บรอบๆอย่างรู้สึกสยองใจแล้วหันกลับมาจ้องที่หน้าเขากระซิบเสียงเบา ว, วิวระพินเมื่อคืนนี้เราสองคนเข้ามาอาศัยพักนอนกันอยู่ในบริเวณอั น, น่ากลัวที่สุดโชคดีเหลือเกินที่ไม่มีอะไรมันโผล่ขึ้นมาเล่นงานเราจากใต้ดินถ้าเรารู้เห็นกันซก่อนฉันว่าฉันคงช็อกตายแน่ เขาแลสบตาเบลและตบไหล่แม่ผมแดงเบาๆอย่างปลุก ป, ปลอบใจผมอยากจะถามความเห็นของคุณบ้างถ้าคุณพอจะให้ได้จากลักษณะของภาพที่วาสลั ก, กลายไว้เป็นหลักฐานเหล่านี้เครื่องแต่งกายก็ดีลักษณะของขบวนพิธีเครื่องใช้เครื่องดนตรีอาวุธตลอดจนเทพเจ้าต่างๆคุณพ่อจะวิเคราะห์ถูกไหมว่าเจ้าของอาณาจักรนี้เป็นชนเผ่าไหนเบลกัดริบบิปากแน่นนิ่งไปกึ่งอึดใจ ขณะที่ตาจ้องจับไปยังภาพที่ปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้าฉันเองก็ไม่สู้จะแน่ใจเหมือนกันนะระพินมันกึ่งกรีกกึ่งโรมันและกึ่งพารตะกึ่งออยคุปผสมกันอย่างไรบอกไม่ถูกแต่องค์เทพเจ้านั่นลักษณะคล้ายพระศิวะของพวกรามมันก็เป็นไปได้ที่อณาจากนี้เก่าแก่โบราณมากที่สุด ใ น, ในการค้นพบของพวกเรามันจึงน่าจะเป็นต้นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมและทัศนคติที่แพร่กระจายออกไปยังซีกส่วนอื่นๆของพิภพโลกนี้ภายหลังบอกได้อย่างเดียวว่ามันจะต้องเป็นมหาอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดมาแล้วในยุคสมัยนั้นเหมือนเหมือนแผ่นดินในเทพนิยายหรืออาณาจักรในความฝันงั้นแหละฉันวิเคราะห์ได้เพียงแค่นี้เพราะบอกแล้วว่าไม่มีความชำนาญในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมาก่อน ลักษณะรูปร่างของผู้คนที่เขียนไว้โครงกระดูกใหญ่กระโหลกนูนมนและทุยทางด้านหลังเป็นลนักษณะของร่างกายรูซเษียชาติที่สูงสง่าสวย ง, งามและสมบูรณ์แข็งแรงกึ่งยุโรปกึ่งเอเชียโอพระเจ้าฉันบอกไม่ถูกจริงๆมันเป็นความลี้ลับเลือประมาณขอเวลาอีกสักเดียวเถอะและขอให้ทุกคนตามฉันมาทางด้านนี้ มีภาพอะไรที่น่าสนใจมากอีกภาพหนึ่งฉันเห็นมากอดแล้วอยากจะให้ระพินกับพวกเราทุกคนเห็นด้วยคีตบอกเข้า้าขึ้นกลางคันพร้อมกับขยับตัวเดินไต่โขดหินงอกไปทางด้านซ้ายมือของผนังซึ่งห่างไกลออกไปราว8ดหลาขณะนี้แสงใต้เคมีแผ่ความสว่างจ้าเข้าไปถึงพร้อมกับโบกมือให้ทั้งหมดเดินตามเข้ามาทั้งกลุ่มรวมทั้งระพินและพรานของเขาเคลื่อนตามการนาของคีตเข้าไปด้วย เสียงเชิดวุฒเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกว่าภาพอะไรหรือคิดมีมิสอุนิเวอร์สนางหนึ่งประทับนั่งอยู่บนบัรลงางประดับเพชรทางด้านโน้นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎของเธอสวยกว่ามงกุฎของมิส s ุนิเวอร์สที่ประกวดกันที่ฟลอริดามาทุกๆปีเสียอีกหน้าตาหุ่นทรงก็เหนือกว่าเสียอย่างเดียวเท่านั้นเธอเป็นเพียงภาพแกะสลักนูนออกมาจากผนังหินอ่อนถ้ามีชีวิตจิตใจจริง มีเนื้อหนังมังสาเสนหน่อยเดียวเท่านั้นก็จะดีไม่น้อยคำพูดของคีธ ด, ดูจะเป็นคำพูดเล่นๆตามประสาของนายนั่นแต่ทุกคนที่ได้ยินพากันชงนและประสาตตื่นขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัพพินไพร์วันเขารู้สึกว่าหัวใจมันว่าปิวอย่างไรสุดที่จะพันนาถูกแม้จะยังไม่สามารถมองเห็นได้ถนัด รันแล้วชั่วอึดใจใหญ่ต่อมาทั้งคณะก็เข้ามาหยุดยืนอยู่บริเวณซ้ายสุดของผนังด้านนั้นซึ่งพอแสงสว่งสางศาสตร์ไล่เงาสลัวรางออกไปหมดสิน้นก็มองเห็นแผ่นพื้นหินอ่อนสียกใสาราวกับแก้วเจรไนเป็นฉากหลังวาวววูบไปด้วยเกร็ดมณีหลากสีและกึ่งกลางของผนังหินยกนั้นเป็นบริเวณหินอ่อนสีชมพูเด่นชัดในแสงพลุเคมีจิงดังในคิดพูดทุกประการ ขนาดเท่าสตรีจริงที่มีสรีระเพรียวระหงค่อนข้างสูงดารุณีผู้นั้นแกะเป็นภาพนูนออกมาจากเนื้อหินด้วยฝีมือปฏติมากรรมเหนือชั้นเกินกว่านักแกะสลักในยุคใดจะมีฝีมือวิจิตบรรจงเท่านางประทับเด่นยืดกายตรงอยู่บนอาสนะสลักลวดลายขดนาคราดเกร็ดเพชรก่อนทั้งสองประสานไขว้กันไว้ที่อุระข้างหนึ่งถือคทาอันมีส่วนปลายเป็นดวงระวีเปล่งรังสีฉาย อีกข้างหนึ่งกาดาบทองอาญาสิทธิ์เ ป, เป็นดาบสั้นเนื้อเสียนคือมงกุฎประดับเพชรล้วนที่ฝังเข้าไปในเนื้อหินที่แก่สลักนูนออกมานั้นเขาพักสงบอย่างสำรวมเคร่งครึมดุดอยู่ในพระราชาพิธีสถาปนาแต่จิ้มลิ้มพริ้มพรายอันน่าจะอยู่ในชั้นสาแรกรุ่นดารุณีลักษณะของภูษาภัฒราภรบอกชัดถึงความเป็นนางกษัตริ์ประดับอยู่เต็มอิสริยยศ ไม่ว่าจะเป็นตาบทิบทับสวงสังวานทองกอปรปลอกพาหาลวดลายของภูษาทรงลักษณะคล้ายเยระบับเหนือเสียนขึ้นไปเป็นวิชนีหางโหงสลับด้วยแววมยุราและฉาดเจ็ดชั้นทองคำทั้งสองด้านลำาัอของนางยืดตรงเนธและอย่างปราศจากจุดหมายไปเบื้องหน้าเกศสายยาวสยายลงมาเคลีย์อยู่ที่อังสะซึ่งคลุมไว้ด้วย ร่างแห้ตาข่ายประดับอัญมณีนกพะเก้าแสงใต้เคมีของคีที่จุดไว้และยังพ่นเปลวสว่างจ้าอยู่ส่องกระทบสัพพะเครื่องประดับอันปวงเป็นทนิมพิมพา์าพรศาสตร์ประกายรุง้งร่ว ง, วงลานตาไปหมดสแตนลี่คริสอิซาเบลเชิร์ดวูดบัดนี้ยืนจ้องอย่างตะลึงครึงเพลิดระพนไพรวานถูกสะกดนิ่งเหมือนตัวเองจะเป็นหินไปฉะนั้น ส่วนบุญคำเกิดและเสยตะโกนลั่นออกมาพร้อมกันว่าน้ายิงดารินความเงียบปกคลุมสถานที่อีกครั้งคงได้ยินแต่เสียงฟู่ของคลุกไฟที่คิดจุดอยู่ทางมุมด้านโน้นเท่านั้น